นั่งปริวัติธรรมการเร่งเสียงกันอีกนิดกะดีนแะล้วมันดูดเสียงประมาดูดแล้วเสียงแห่บเปิดดังไว้นิดหนึ่งกระด้แล้วเดี๋ยวจะปรับใหม่เองเวลาปรั บ, รบใหม่อ่อนๆล้ำดูดเมื่อกี้รอให้พรกัน ก็ฟังพระเวลาตักบาทตอนนี้มีความหมายเป็นภาษาไทยแล้วเออได้สวดผ่านการพูดพอจะรู้ความหมายเป็นภาษาไทยชัดขึ้นทุกคนต้องการความสุขสุขสวยเลยดีต้องการจะมีใครสักคนที่ไม่ต้องการสุขสวยเลยดีอายุวันน่าสุขภาละ ย, ยืนจนบันอายุไขของมนุษย์จริงๆอายุไขมนุษย์เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตจริงๆมีวันสามสิปีนั้นนะ 3, ปีแต่ว่าถ้ามีตัวความดีรองรับยาวยาวเป็น90ปีร้อยปีร้อยสิบ ถึง120ยั่สนนะแต่ว่าการที่มันมีตัวตัดรอนบันทอนไปเรื่อยๆมันมีอยู่โลกาพยาีิต่างๆหรือว่ากำหนักกำที่มันหนักมันจะตัดรอนความเชื่อเป็นยังน้นนะการที่จะมีอายุยืนบรนหน้าผ่องใส มีความสุขมีกำลั ง, ก, ลง ก, กําลังกายกําลังกายคือวิชาพละพอพานรอลิงสรัอะทุกคนต้องมีกําลังสอยเวลา ใ, ใครมีกําลังก็ได้เปรียบอย่างประเทศอินเดียนี่เขาบูชาลิงมากลิงมันมีกําลังโหวนไปกระโดดโลดเต้นไม่เหน็ดไม่เหนื่อยใครมียามองตาลิงแล้วไปอินเดียเนอะ ปลามปลามปาลมปาลมขอแหลกไม่ได้ชอบยี่ห้ออื่นนะไม่ชอบเลยชอบแต่ยีห้อลิงลิงถือลูกท้อก็มีการบูชาลิงบา น, นอนถือเป็นเทพเจ้าทีนี้เรา มาเพทำนะเพื่อมีกำลังใจนะกำลังใจที่เรียกว่าพระนะพระมีกำลังภายในสติสีธรรมิสัมัญญาปัญญาวนะีมันเป็นลักษณะของกำลังนะจิตใจของเราแช่มชื่นเบิกบานต่อยางไงจิตใจมันถึงจะประพัฒน์สอ่องใสนะ มีธรรมชาติเดิ ม, ดมไม่ใช่วันไหวไปกะอารมณ์ภายนอกที่มากระทำหรือ ว, ว่าการคิดการปรงกันแต่งมันมันแยกได้ยัดถาให้ผีบางทีล่วงลับไปแล้วมันพิสูจน์ได้เราบอกเนี้ยนะมันจะพิสูจน์ไม่ได้ เปตานังก็อเปลยเนี่ยไม่ต้องรอตายอเอาแค่ชาตินี้ก็แล้วกันเรากําลังอดอยากหิวหิวอาหารเนี่ยมีคนมาให้ก็เออรอดตัวหรือว่าแม่แม่หิวความดีของลูกอยู่เสมอไม่อิ่มลูกทําดีเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มในขณะที่เราหิวความดีต้องการความดีแม่ตกอยู่ใน มหานรกขุมใหญ่ก็เรียกปุตตะมหานรกพิสูจน์ได้ครับพูดเรานี้เรามีลูกดูสิไม่ว่าผู้ชายว่าผู้หญิงทรมานมากเวลาลูกดือ้อเวลาลูกไม่ได้ดังใจแม่จะอิ่มไม่ได้ถ้าลูกอดอยู่คุณสมบัติของแม่ ลูกจะอดไม่ได้แม่ก็ต้องกระตือรืร้นหามาป้อนลูกสัตว์มันก็เป็นพฤติกรรมเหล่านียไม่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นหิวความดีของลูกอยู่เสมอเปรหรือว่าพระก็ตามพระนี่จะตกอยู่ในปุตตามหานรกได้เหมือนกันนะก็คืออยากขยมยเป็นคนดีนั่นแหละ อยากขยอมไม่ทุกขนะ์นั่นแหละเพราะนั้นต้องต้องดูมันทําได้ความอยากเป็นความปรารถนาดีหรือว่าเหตุปัจจัยต้องทำํำต้องต้องเช็คตรงนี้ได้ถ้าเป็นความอยากความต้องการอันนี้อันตรายเป็นทุกข์เป็นภูมิต่ําจิตต่ําเพราะนั้นการอุทิศก็หมายถึงว่า การที่เรามีหน้าที่ที่จะให้กันและกันอีกคนนังหิวอีกคนนังอิ่มก็ต้องแบ่งปันกันอีกคนเป็นเปรตโดยพระธรรมะนี้ต้องรอให้เป็นเปเรตก่อนนะมันทุกข์มากอยากปฏิบัติธรรมค่อยเข้าวัดนแล้วเราก็อุทิศส่งให้กันบอกชี้นาพารมอันนี้จะง่ายหน่อย กำลังหิวอยู่กำลังทุกข์อยู่กำลังหาทางาออกจากทุกข์อยู่แต่บางคนมีปัญญาจริงๆนะีก็เป็นการหมายถึงว่าหิวแต่ว่ามีปัญญามีศรัทธามีความเชื่อมาก็เลยลองเรียนรู้ดูอ่ามันมีวิชาแบบนี้อยู่ในโลกด้วยก็เรียนรู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหาม วันใดวันหนึ่งมันเกิดทุกข์ใจขึ้นมามีทั้งออกเลยเคยฝึกมาเคยฝึกมารู้สึกตัวรู้สึกตัวการที่เรามีกําลังจิตกําลังใจมีอายุมีวันน่ามีสุขามีพภานะกําลังกายด้วยกําลังใจด้วยมันก็ต้องน้อมนะ แล้วนอ่อนน้อมถ้าเป็นภายนอกยกมือไหวจะสุกสวยเลยดีมีความสำเร็จในการงานถ้าเป็นคนอ่อนน้อมไม่ใช่หยาบแข็งกระด้างอีกอันถ้าใจอ่อนน้อมก็มีน้าโมตัะจะใจอ่อนน้อมนะมีน้โมตระเราก็ทำจิตใจของเราให้เป็นใจที่รองรับลถของพระธรรมใจเราอ่อนน้อมน้อมที่จะฟังน้อมใจที่จะฟัง มีเสียงเสียงมันว่าอะไระน้อมเข้าไปแล้วเดี๋ยว่าฟังไม่ได้ฟังเฉยๆฟังแล้วไม่ทําฟังทำนอ้อมไปทําเพราะธรรมะคือการประพฤติทางกายวาจาใจนะที่ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นนะตัวนี้เรียกว่าธรรมะนะที่ควรปฏิบัติด้วยจะรู้จักตัวเองรู้จักหน้าที่นะ จะรู้จักคนจะรู้จักโลกโลกภายนอกโลกภายในกายฟังศอกยาวานาคืบโลกของจิตใจของเราที่มันก็มีโลกของมันเหมือนกันมันเป็นโลกที่มีโรคด้วยนะเป็นโลกที่มันมีโรคด้วยรูกเป็นโลกนามเป็นโลก รูปโรคน้ำโรคป่วยรูปป่วยน้ำป่วยหีโลกตรงนี้เราจะทำยังไงเราก็น้อมเอาวิชาของเจ้าหรือว่าของผู้รู้ในโลกใบนี้ใครก็ได้ที่รู้เรื่องเนี้เราก็น้อมมาปฏิบัติเลยที่ตัวเราที่กายที่ใจของเรา โดยเฉพาะนะที่นี่วัดป่าสุโกโตมีแนวทางมีการปฏิวัติไม่ได้อ้อมหรอกตรงไปตรงมาชีวิตเราจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามทั้งที่ตอนนี้กําลังมีปัญหาหรือว่าก่อนหน้าเคยมีปัญหามาก็ตามเราคิดว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะเจอกับปัญหาก็ตามบัรยุติได้จุดติธรรม ยุติด้วยธรรมธรรมตัวนี้ชื่อว่าสติสมัมปญญาสติปัฏฐานยุติได้ทันทีทุกที่กายก็มีสติที่กายนั่นแหละมีสติมีปัญญามันปัญหาก็หมดไปกายแก่กายเจ็บกายตายไม่ทุกหรอกปัญหามไม่ ม, ไมีมีแต่ปัญญา <c oughs> ที่จิตก็เหมือนกัน ปัญหาที่เกิดในจิตใจนะโรคจิตโรคใจคิดแล้วกุ่มคิดแล้วกังวลโทวสาริตรมตห่าจริตวิตกจริตรราคะจริตมันก็จบหายเป็นเหมือนกันโรคจิตโรคใจถ้ามีสติรู้เท่ารู้ทันจิตใจสติรู้กายสติรู้ใจ ก็จะได้คำตอบทุกขณะที่มีความรู้สึกตัวมันไม่ใช่หาเหตุหะผลด้วยการคิดแต่มันเข้าถึงเหตุของความพ้นทุกข์เลยทันทีทุกครั้งที่เื่อนไหวรู้สึกมันทันทีทันใดเลยมันมีภาคปฏิบัติการลงไปตรงๆไม่ต้องใช้ปริยัติก็ได้ มีการกระทำนำลงไปตรงๆการกระทำทำทอทหารสลามทำก็เกิดธรรมชาติขึ้นมาเมื่อมีการกระทำลงไปกรรมฐานผลมันก็เกิดวิปัตายานขึ้นมากรรมฐานเป็นเหตุวิปัตายานเป็นผลก็คือมันมีปัญญามันจะรู้จักตัวเอง เลเพราะความคิดที่เป็นสมมุติบัญญัติคิดแล้วโลภคิดแล้วโกรธคิดแล้วหลงสมมุติบัญญัติลงไปแต่ละคนก็บัญญัติไม่เหมือนกันสมมุติคิดลงไปแล้วก็พอใจไม่พอใจของสิ่งเดียวกันวัตถุสิ่งของสินค้าเราไปเลือกถูกใจแต่ว่าหลายคนเ้าก็วางเอาไว้ เรบอกสวยที่สุดคนอื่นเขาบอโอ้ไม่ชอบสิ่งเดียวกันสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นเห็นเหมือนกันแต่ว่าคิดไม่เหมือนกัน1คนก็1เรื่อง2คนก็2เรื่อง10คนก็10เรื่องถ้ากลายเ็นคนเรื่องมากมากคนก็มากเรื่องมากคนก็มากความแต่จริงพอ10คนรู้สึกตัวก็เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่วุ่นวายเลยเหมือนกันเนี่ยเราอยู่กันห้าหกสิบคนเจ็ดปดสิบคนอยู่กันไม่วุ่นวายเลยทุกคนรู้สึกตัวทุกคนมีความรู้สึกตัวที่ไหนมีพุทธะที่นั่นก็สะอาดสว่างสงบที่ไหนมีพุทธะที่นั่นก็ไม่วุ่นวายสงบเย็นอยู่เย็นเป็นสุข 6 70คนมีความรู้สึกตัวมีภาวะพุท ธ, ธะเกิดขึ้นมา mm hmm. ก็อยู่กันแบบสงบสันติสุขสันติภาพไม่เอกรเลกิกไม่วุ่นวายถ้ากายเรามีพุท ธ, ธะใจเรามีพุท ธ, ธะ mm hmm. เราก็เป็นคนที่มีกายมีใจมีวาจาที่สงบ mm hmm. เรียบร้อยสัมผัสได้ ดังนั้นความรู้สึกตัวนี่น่าสนใจทีเดียวชื่อความรู้สึกตัวฝึกได้ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเดินจงกรมนั่งร้างจังหวะทันทีทันใดแต่ว่ามันก็จะมีอารมณ์หลายอย่างที่มันซ้อนซ่อนขึ้นมาออกมาให้เราได้ผ่านแหวกออก ทะลุมาตรงเป้าตรงประเด็นของความรู้สึกการเคลื่อนกันกไหวที่กายตัวหนึ่งความงอกงวก่ ว, ง, ว ง, งตัวหนึ่งความคิดฟุ้งซ่านตัวหนึ่งเราก็รู้เท่ารู้ทันมีอาการเจ็บปวดเมื่อยเกิดขึ้นมาอ๋อรู้แล้วเมื่อทีเราก็มีความอดทนก็รู้จักเลยอ๋อตัวนี้คือความอดทน ่ทนที่จะปล่อยจะวางหยุดซะ mm hmm. กลายเป็นต่อได้อีกพักหนึ่งมีความอดทนขึ้นมาเกิดคุณธรรมขึ้นมามีกายกลายเป็นโรค mm hmm. มีจิตใจจิตใจเป็นโรค mm hmm. เห็นเลย mm hmm. อาการที่ผิดปกติไปบา mm hmm. ทีก็ไม่สบาย วันนี้มีคนกลับไปคนหนึ่งมไม่สบายปวดท้องตั้งใจจะมาอยู่สักเดือนหนึ่งอยู่ได้4ี่ห้าวันปวดท้องกลับไปเลยอันนี้บอกถึงอะไรภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าขันธมานมีร่างกายมันก็เป็นมานแต่มันมาให้เกิดบารามีขันธมานเจ็บป่วย มีพระศีริลังกาก็ลงไปข้างล่างโรงพยาบาลแก้งไม่สบายมีร่างกายเจ็บป่วยขันธมานเปิยทางกายทางใจขันห้ามันไม่พาให้เราได้เหมือนกับว่าประกอบความเพียรใหย้ยิ่งขึ้นไปบางทีมันก็ชดลงเหมือนกัน มันก็วัดบา ร, รมีของเรานะความอดทนมีหรือเปล่าตะบะมีหรือเปล่าใหม่ๆจึงให้เพิ่มเวลาไปนิดๆหน่อยๆก่อนพอเรารู้สึกตัวแล้วก็มันมันปวดมันเมื่อยมันเหนื่อยทนๆสักนิดหนึ่งร้องขอสักครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วก็เปลี่ยนความคิดขอเปลี่ยนแล้วก็เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพิ่มตะบะให้มันหน่อยร่างกาย กายยายนรียนะ์กายยาอินรีย์คือความเป็นใหญ่กายยอินรียคือความเป็นใหญ่ทในด้านร่างกายให้สติมันได้คลองให้การละลึกรู้สติมันได้ครอบครองสมาธิปัญญาได้ครอบครองการเคลื่อนการไหวมีสติการละลึกรู้มีสมาธิตั้งมั่นอยู่เรื่องเดียวนี่แหละมีปัญญาหลงไป ตามอาการต่างๆเนาะกลับมาเข้าสู่เป้าหมายหลักความรู้สึกตัวความคิดกรมือนการบังทีก็ชวนความง่วงก็ชวนความคิดเป็นอะไรเป็นอภิสังขารมาการปรุงแต่งปุญญาสังขารก็มีอปุญญาสังขารก็มีปุญญยสังขารคือคิดเป็นบุญคิดเ้วเป็นทนบวกใหม่ๆก็จะเกิดมาก อารมณ์บุญคิดไปเท่าไหร่เราก็กลับมารู้สึกตัวไม่ให้ค่ามันหรอกคิดดีคิดไม่ดีไม่ดีคืออุญยาที่สังขารอาแปว่าไม่อับุญปุญเกิดคิดดีคิดไม่ดีไม่ใส่ใจสนใจบางทีงกักปลงนะได้ยินเสียงนกกบปรงก็มี บางคนได้ยินเสียงนกกาว่าวกาว่าพอแล้วพอแล้วปรุงไปเคยมีนักบวดทำคนหนึ่งได้ยินเสียงนกกาว่าวะยังไม่ไไม่ทันข้อระคังเลยเตรียมไปอาบน้าแล้วเดินอยู่ดีๆเสียงนกกาว่าวร้องกาว่ากาว่าเดินไปถามว่าทำไมพอแล้ว ก็นกมนบอกว่าพอแล้วพอแล้วปรุงไปมีนะคนแก่คนหนึ่งเคยอยู่ที่วัดเนี่ยก็เ ค, เคยปรุงเสียงนกกลายเปว่าคิดถึงสามีที่ล่วงลับไปแล้วเยหยลอตาชิตเ ย, ยลลอตาชิตเยหลอตาชิตตัวเขาเองก็ชื่อเยหลอ สามีก็ชื่อตาชิดก็ตายไปแล้วโอ้ยทํำไมคิดถึงตาชิดตาชิดแล้วก็มองไปเห็นต้นมะไฟอยู่ข้างบ้านใคอยู่สอหนึ่งมั้งสองหนึ่งนะบ้านยายรอตาชิดก็แหลนะก็โปร่งไงไหมท่นที่จะรู้สึกตัวไปคิดถึงสามีที่ล่วงลับไปแล้วนั่งเศร้าออาเป็นอะไรละยา ย, ยนกมันร้อง ยายหลอตาชิดยายหลอตาชิดนะ่มันรอฉันนะนะคิดถึงสามีตุกแกมันร้องร้องว่าไงนะร้องว่าไงหลวงปู่เทียนก็เคยฟังนะเคยฟังท่านเทศบอกเสียงตุ๊กแกมันร้องมันร้องเป็นธรรมะนะตุกแกนะมันร้องว่ากลับมา กลับมากลับมากลับมารู้สึกตัวปรงุปรงแต่งไปสารพัดบางทีมันก็ร้องเบื่อจังเบื่อจังเบื่อจังกระผานเบื่อไปตามเสียงนกเพราะนั้นเวลามันเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นมา นอกจากความรู้สึกตัวแล้วก็เออรู้มันรวมคิดรวมปรุงรู้มันอย่าเพิ่มไปสนใจนะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวให้มากเท่าที่จะมากได้ฐานกายฐานกายผู้ใหม่จะได้ประโยชน์สูงสุดนะการเคลื่อนการไหวหเดินจงกมในรูปแบบการยกมือสิบสียัง่านะสนับสนุนร0 0เเ มีภาคปฏิบัติการนะอย่างเช่นเมื่อเช้าหลวงพ่อคาเขียนได้ราเทศหน่อยนึ่งนะได้มาเทศให้เราฟังทําอะไรทําอะไรก็เป็นการปไปทำหมดนั่นแหลนะเราจะฉันข้าวกันอยู่ตักข้าวกันอยู่อันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วที่นี่เราก็ต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวท่านอ้างว่าเจ้าชายเสียถะนะ องสมเดจสามาเจ้าก็ททำแบบนี้แล้ว <Yeah. S 1> เต็มปากเต็มคำเลย <Yeah. S 1> ทำอย่างนี้ไปก่อน <Yeah. S 1> เกิน ว, ว้สิบสี่จังหวะแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นไปเอง <Yeah. S 1> อะไรเป็นสติอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญามันจะรู้ไปเอง <Yeah. S 1> อะไรจะเป็นตัวรู้อะไรจะเป็นตัวหลงมันรู้ไปเอง ปกติเขาก็ไม่ได้นะพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานกันอยู่มาถึงปับ๊บมาพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นกันนะก็มีขั้นตอนเลยขั้นตอนเวลาพูดจะพูดเรื่องอะไรกันก่อนมาถึงปับ๊บอย่างเช่นในตำราเขาบอกว่าพุทธเจ้าเคยเจอคนนึงยักษ์สากุลบุตรพอมาเจอปับ๊บ ยศสาเดินบ่นมาโอ้วุ่นวายเนอะวุ่นวายขัดข้องพระเจ้าก็โต้อตอบไปทันทีเลยพูดตอบที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายมาสํานักเราสิยศสาคุรบุตรก็เดินเข้าไปเสร็จแล้วพระเจ้าก็ บ, บอกอ่ะเออที่เธอบ่น่าทุกหนอทุกหนเนี่ยไม่สบายเนอ ขัดข้องหนอบนไวาหนอเนี่ยก็ได้เหตุที่ว่าจิตใจเธอไม่เป็นบุญไม่มีความสุขไม่มีปิติสุขให้ทําบุญาาบัางยสากุลบุตรทุกใจ ว, ว่าพ่อแม่แบ่งสมบัติให้สามกองพ่อแม่ไปกองหนึ่งที่เหลือสองกองให้ยาศสารกุลบุตรถ้าเป็นเราได้มรดกพ่อแม่มีเงิน หกล้านพ่อแม่เอา20่ล้านให้เรา40่สล้านนะ่ะเราจะบ่นว่าวุ่นวายหนอวุ่นวายหนอไหมโยบ่นไหมทุกหนอทุกหนอมีเงินอยู่40่ล้านยาศายกุลบุญนี่ทุกมากเลยบอกให้ทําบุญทําทานบ้างแล้วก็จะเห็นว่าความสุขมันมีอยู่ทุกครั้งที่ทําบุญทําทานก็เรียกว่าสักเค สักเเ่คือพูดถึงเรื่องสวรรค์ผลการทำบุญระดับนีนะ้ก็จะได้ความสุขระดับนี้เป็นสวรรค์เป็นเทวดาเป็นเทวภูมิแล้วให้เห็นโทษด้วยนะหเห็นโทษของการทำดีด้วยเวลาทำดีแล้วทุกข์ใจนะเวลาทำดีแล้วก็เทวดาก็ตกสวรรค์เหมือนกันนะก็จะกลับลงมาหลังจากตกสวรรค์แล้วเนี่ย ให้เธอกลับมาเห็นโทษของของกามซะดําเรียออกจากกามซะกามคือความสุขเนกกะกรรมะเนี่ยหลายคนก็เ น, นกกะกรรมะแต่งชุดขาวมาวัดป่าดําเรียออกจากกามกันนีก็พูดถึงเรื่องการฝึกสติแล้วการฝึกสติว่าสติมันมีกี่แบบฝึกยังไงมันมีสิบแบบ อะไรบ้างพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์กันเป็นการระลึกถึงมีสติระลึกถึงนะพระเจ้าแต่ว่าพระพเจ้าในตัวเราจิตนระู้ตื่นเบิกบานรถธรรมชาติในตัวเราพระสงฆ์ในตัวเรานะเป็นวัดดีเป็วัดตรงจเจอแล้วแต่เรานะ เหมือนกับว่าพอเราฝึกสติโดยเพพาะการเคลื่อนการไหวนี่ก็ส่งเคราะห์ได้เลยนะอยู่ในหมวดของการละเลิกถึงกายสติตามรู้การเคลื่อนไหวของกายมันก็มีอยู่จริงๆแล้วก็ถึงพูดถึงเรื่องอริยสัจส การที่เราปฏิบัติอยู่มันก็เคลื่อนไหวมันคือทุกข์นั่นแหละกายที่เคลื่อนไหวทุกขนาคือทุกข์คราวนี้เราจะทํำยังไงกําหนดรู้โดยการรู้ก็รู้เฉยๆทุกข์ต้องกําหนดรู้การเคลื่อนไหวแต่ละขณะดเนี่ยรู้เฉยๆกาหนดรู้เฉยๆสมมุทัยต้องต้องละ สมุทยเหตุแห่งทุกข์ต้องละทุกกายนี่แก้ไขผ่อนคลายบรรเทาให้มันแต่ทุกในจิตน่าต้องละกลับมาทันทีทุกครั้งที่คิดน่ะถอนตัวเองออกมาทันทีจากความคิดเหตุแห่งทุกข์จริงๆนะโดยเพราะทุกอริยสัจสี่มันทุกในจิตของเราทุกกายนี่อนไผ่อนคลายแก้ไขแล้วก็บรรเทาให้ แต่ในจิตนี้กลับมาทันทีออกมาทันทีทุกครั้งที่คิดไม่ต้องไปใส่ใจเลยทิ้งทันทีวางทันทีสมุทยต้องละละทันทีนิโรธทำให้แจ้งนิโรธนิโรธแจ้งจากอะไรครับ ผลของการเจริญสติก็คือมักนั่นแหละมั่งทำถูกมันเกิดปัญญาเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องขึ้นมาโลกของกายโลกของใจนะรูปธรรมนามธรรมของเรานี่มาถึงปั๊บใจมีสติอยู่กับกายให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวใช่คราวนี้พอเรามีความรู้สึกตัวแล้วก็อย่างเป็น ที่เราทำกันน่มันก็เกิดผลขึ้นมาเยอะแยะไปหมดบางทีก็รู้ธรรมดาธรรมดาไปทำได้เรื่อยๆบางทีก็เผลอไปก็เห็นว่าเผลอไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็เพ่งไปก็ร่วมเพ่งไปก็ผ่อนคลายนิดหนึ่งปฏิบัติใหม่ๆจึงสังเกต ด, ดูเหมือนกันทุกคนนั่นแหละ มันเพงเวลารู้สึกตัวมันเพงมันแนบแน่นกับควาวมรู้สึกตัวมันแนบแน่นกันเลยอันนี้ไม่ถือว่าผิดทำไปทำไปมันจะค่อยๆผ่อนผ่อ น, ผ, อ น, ผ, อนผ่อนออกมาแต่ผ่อนมากสังเกตให้ดีจะเผลอแวบไปคิดต่อหรือว่าไปทางตาทางหูต่อแล้วก็ไม่สนใจไปหรอกมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิด สังเกตมันเก็บกดบ้างไม่เป็นไรมันกบเกลื่อนบ้างก็ไม่เป็นไรบางทีมันกล่อมตัวเองก็ไม่เป็นไรมีใครไปบวชทำแล้วก็มีเสียงสวดมนโผล่ขึ้นมาบ้างมีไหมบทสวดที่เราสวดทําวัดเนี่ยไปโผล่ตอนปฏิบัติมีบ้างไหมใครมีโปรดยกมือขึ้นไห วันนี้อาจจะมีไม่เยอะเดี๋ยวหลายๆวันนะมันจะโผล่ขึ้นมามันจะจดจําสิ่งใหม่ที่ใกล้ตัวที่สุดมันจะคิดเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเวลาปฏิบัติธรรมสังเกตให้มันคิดอยู่ใกล้ๆตัวเองนี่แหละแสดงว่าเออมันใกล้ตัวเข้ามาเต็มทีแล้วต้นไม้ใบหญ้ า, ยยารอบๆตัวหรือว่าทางเดินจงกรมแสดงวันอยู่ใกล้ๆตัวอารมณ์ปฏิบัติอยู่ใกล้ๆตัวแล้วยิ่งเห็นการเคลื่อนไหวในะเห็นการยิบยิบจับ บางทีก็ฟูขึ้นมาบางทีมันก็มีอาการต่างๆเจ็บปวดแสดงออกมาใกล้ตัวแล้วยิ่งเริ่มเห็นแวบๆความคิดเนี่ยแสดงเออมาข้างในแล้วมันไม่ได้ส่งจิตส่งใจออกนอกมันก็จะเริ่มเห็นอาการที่เกิดขึ้นภายใ น, นค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะรู้อะไรไม่รู้อะไรช่างมันให้รู้สึกตัวไว้ก่อน พอพูดถึงเรื่องตัวยศาสตร์ ส, สีจนจบแล้วทุกสมุทยัยได้ลดมักที่เหลือก็ไปทำเอาเองไปบัดเอาเองปรกากฏศาคกุลบุตรนี่พอฟังน้อมเข้ามามีความรู้สึกตัวเห็นด้วยเห็นด้วยบรรลุทำเลยพอตามหามาฟังทำซ้อนอีกทีหนึ่งยาศายกุลบุตรฟังซ้อนพร้อมกับพ่อ เลยเป็นพระละหันเลยตัวพ่อเองก็ได้ดวงตายเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันมันก็ไม่ใช่ยากนะการเรธรรมนี่พูดสมัยพุทธเจ้านะสมัยพุทธองค์ถ้ามีจริงนะอีกสองวันข้างหน้าในวันมาฆบูชาแล้ววันมาฆบูชาคือวันอะไรวันมาฆบูชา วันที่พระสงฆ์มาประชุมกันโดยไม่ได้นันหมายมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระรหันตทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระขีนาศสองเป็นพระสงฆ์ที่พระเจ้าบวชให้ทั้งหมดใช่ไหมสามเป็นวัน โอ ว, วาตวปาติโมกใช่เป็นวันสำคัญทีเดียวมาจมนุนก็โดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็มีนะการเป่าประกาศให้โอ ว, วาตุดมการหลักการของชาวพุทธที่เป็นสำคัญมากที่สุดล้วช่วยทำดีชำระจิตนะตอนนี้เราสองพันกว่าปีมันยังปรากฏอยู่ลองโดยทุกครั้งที่รู้สึกตัวมีทุกข์ไหม ทเรื่อความคิดระดีอนาคตมันมีไหมวิภาควิจารณ์ปกติมนุษย์ในชอบวิภาควิจารณ์เห็นปั๊บวิภาควิจารณ์แหลกเลยคิดเอาเองคนเดียวแต่ปรากฏว่าพอเรารู้สึกตัวมันหยุดมันยุติเลยการที่จะไปวิภาควิจารณ์มันยุติเลยเอาผิดเอาถูกเอาเหตุผลไม่เอาหรอกเสียเวลาชีวิตเสียเวลาเดินทาง จิตใจก็เลยปกติไปได้เรื่อยๆตลอดวันตลอดวันนะ <c oughs> เพราะนั้นเราก็ทำเอาตัวใครตัวเราแหละวันนี้ก็เป็นวันแรกของการปฏิบัติในเช้าเย็นแ <c oughs> ตลอดคนตลอดท่านก็มีประสบการณ์ธรรมะสมควรแก่การปฏิบัติก็สมมันก็ปรากฏ <c oughs> ตามสมควรแก่การปฏิบัติของใครของเรา <c oughs> เราเอาสิ่งที่เป็น ความจริงเป็นสัจจะมากระทํำกันมีกายก็ต้องเห็นกายมีจิตมีใจก็ต้องเห็นจิตเห็นใจมีสติมันก็ต้องรู้สติมีสมาธิมันก็ต้องเห็นจิตตั้งมันม่นมีปัญญาก็ต้องเอาตัวรอดไดรรรรร้รู้เขารู้เรารู้เรารู้เขารู้ฐานะฐานะกาลเทศะต่างๆรู้รู้ elle, elle, à, ร, รูร้นามที่สาคัญที่สุด รู้การห้ารู้าการที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะตามความเป็นจริงมันก็เกิดการแตกฉานขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันก็ตื่นตาตื่นใจไปเรื่อยๆได้รู้ได้เห็นก็จึงให้ให้พวกเราทุกคนได้มีการกระทํามากกว่าไปสนใจเรื่องอื่นกันในพอดแคสต์เ7วันนี้ อาจจะมีการแบ่งงานแบ่งการเพื่อให้เราได้สังเกตการปฏิบัติธรรมกับการทำงานเพื่อที่ออกไปนอกวัดสู่ที่ทำงานสู่บ้านเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมได้ตลอดเว ล, เวลาการเคลื่อนไหวไม่อยู่ตลอดจะได้เป็นผู้ที่มีปกติะเจริญสติปัฏฐานอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันรู้สึกตัวเมื่อไหร่เราก็ไม่ทุกเมื่อนั้น วันไหนรู้สึกตัววันนั้นเราก็ไม่ทุกเมื่อทุกวันเรารู้สึกตัวทุกวันเราก็ไม่ทุกเราทํางานด้วยสติปัญญาด้วยความรู้สึกตัวมีความชัดเจนเราก็พูดให้ฟังแค่ น, นี้ก่อนกลับครับพร้อมกัน